พระพุทธศาสนาอยู่ก่อนับจำเดิมเริ่มแต่วันระ ด, ด, ดับรับขารปฏิปานแห่งองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคอารังันตสธรรมารสมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแลว้ว ได้พนห้าราปพระวสาปัจจุบันสมัยเดือนพฤศจิกายนนัดสรเทินที่ส3าวันศุกร์วันนี้ยังเป็นปัจจุบันลวันพระพุทธศาสนาอยู่การรับ จำเดิมเริ่มแต่วันสด็ดจับการปฏิปนันแห่งองค์สระเดจพระผู้มีพระภาคอารหาันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าของเรานันนมีในอันที่ท่านทั้งหลายจะเพ่งกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประกา ะ, ะนีย นะโมตัสสะวโตอะตสสพุทัสสโมตัสโตอตสมาสพุทั นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมโมสมปตสะเอิกะยะโนอายังพิกเขวะมุโคสัตตะนังสุทธิติ ขัตตมพาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาแด่ท่านทั้งหลายกออื่นให้ท่านทั้งหลายจงนมกายไหว้าจาและจิตใจ ลองบูชาคุณอันประเสริฐของพระสัมบาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งดับเพลิงกิเลสเพลิลงทุกได้โดยทิ้นเชิงรัตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์ทรงเทียบพร้อมไปด้วยวิชาและจรณะพระองค์ทงสเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุกคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นใดที่จะยิ่งกว่าเป็นพระศาสดา ของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประพทรงบัญญัติธรรมอันประเสริฐว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียว ไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเวเนยัส์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความรำไรให้ดับไปซึ่งทุกข์และโท ม, มนัน ทำนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่ยันนำออกจากตกนั่นคืออะไรนั่นคือมงาสติปัสานตรมาาสติปัฐานตรูมีกี่อย่างอะไรบ้าง มหาาติปัฏฐานสูตรมีสี่อย่างท่านตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีเพราะเราจะบูชาพระสมมาธรรมพุทธเจ้าผู้ประเสริทุกในโลกทั้งสามหรอจะบูชา พระบาทจมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดญญดุดมยเดบังคาัราชที่พระองค์จงคุณอันปฏิเสธมีพระเมตตาอาประมาณไี่ได้มีพระกรุณาเป็นวิหาระธรรม พระองค์งตั้งอยู่ในทศพิตรราชาธรรมอย่างยอดเยี่ยมไม่มีพระมหงาการชั์องไกใดที่จะเสมอเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอดตุยาเดช ละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นส่งสัดว์ว่าอามิทบชาดีอยู่แต่ไม่ดียิ่งพาติบัตบูชาดียิ่งเราตะตาคตจึงยอมรับบูชา ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติบูชาที่พระสัมบาสัมพุทธเจ้าทรงยอมรับการปฏิบัติบูชานอยตรองประการคือส ม, มถกรรมฐานอมาย เพื่อให้เกิดความสงบจิตวิปัสสนากรรมฐานเป็นอมบายง่ายเรื่องปัญญาถ้าเ่าถ า, ถามท่านทั้งหลายว่าปฏิบัติวิปัสสนาเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในฐานะชาวพุทธ พือพุทธบริษัทคือบริษัทของผู้รู้ควรตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าการปฏิบัติบูชาหรือการปฏิบัติวิปัสนาเอาม า, าตรปันฐานสูรเป็นลักเป็นเกณฑ์จึงเรียกว่า วิปัสนาภาวนาคำว่าภาวนานะไม่ใช่คำคำตรึกคำตรองไม่ใช่คำบริกรรมคำว่าภาวนาแปลว่าปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นหรือให้พร้อม ได้แก่อิทธิบาตภาวนาอิทธิบาตภาวนาเนี่ยเป็นทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมท่องเอาอิทธิบาตเป็นตัวภาวนาคำว่าอิทธิแปลว่าอะไร คำว่าอิทธิแปลว่าสำเร็จหรือคำว่าอิทธิแปลว่าฤทธิ์หรือปฏิหารบาทเป็นที่ตั้งของความสำเร็จหรือเป็นที่ตั้งของอิทธิปฏิหารเพราะฉะนั้นนีอยู่ที่ประการบุคคลที่จะประกอบกิจกรรมใดๆก็ตาม นำไปสู่ความสำเร็จเพราะมีอิทธิบาทที่ประการนี้แม้แต่หรังเขายัางยกว่าเยี่ยมที่สุดที่พระจมบาทธรรมพุทธเจ้าทรงยกอิทธิบาทภาวานาเป็นคนเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ได้ทุกประการ เททิบาทภาวนาข้อที่หนึ่งตั้งไม่ดีฉันทังชะเนติยังความพอใจให้บังเกิดเป็นฉันทิเทิบาทและเป็นฉันทะของสมาธิเป็นประธานในกองสังขาร คือควบคุมสังการ ใ, ให้เป็นปกติข้อที่หนึ่งนี่คือปิติบาข้อที่หนึ่งข้อที่สองวายะมติเมื่อพอใจแล้วพยายามไห้ต่อเนื่องให้เป็นประจำมีความมานะปุทธสาหะ ค, ำคำมคเป็นไม่ทอดริงฉันทะทไม่ทอดทิ้งภาระพยายามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงสุดคือคว า, ามสำเร็จถ้าเป็นพุทธบริษัทมุ่งไปสู่คว า, ามสูงสุดคือความดับทุกข์คือมรรคผล น, ผนิพพาน ประการที่สามวิธียังอารับิเป็น <c oughs> เป็นวิิยะกล่รารับความเพียรว่าความเพียรที่เราเพียรอยู่สม่ำเสมอหรือไม่ควรจะเร็วควรจะช้า หรือควรอย่างไรเป็นปกติเพราะอิทิบาทขอ้อนีเป็นฉันเป็นวิทยิทิบาทเป็นวิิยะสัมมาธิและเป็นประธานในกองสั้งขาญข้อทุดท้ายของการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จ พระองค์ตรัสวจิตตั้งปักขันธาติปัะฐาติประคองจิตตั้งวายในจงคือประคองจิตตั้งวายให้เป็นกลางเรื่องอื่นจะว่างให้หมดที่ไม่วางคือกรรมฐานที่เราจะปฏิบัติ การปฏิบัติต้องตั้งฐานมังหาสติปัฏฐานสี่มีที่ฐานที่อยู่ที่ตัวเราบางท่านเข้าใจว่าปฏิบัตินี่ยากก็เป็นการกล่าวตู่พระธรรมจัมพุตเจ้าหรือเราจะว่าง่ายก็กล่าวตู่พระธัรมจัมพุตเจ้าอีก เพราะธรรมของพระองค์นี่เป็นกลางๆที่เรียกวัดว่ามัชชิมาหรือมัชเชนรทรมธรรมที่เป็นกลางๆไม่ยากไม่ง่ายขึ้นอยู่กับบรารมีของผู้ตวฏิบัติให้ท่านจำหลักการที่ประการนี้ไว้ให้มัน่นแลปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใด หรืออยู่ในกิริยาบทใดก็เป็นการปฏิบัติบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกการทุกเวลาเป็นอาการโกคือไม่ต้องประกอบด้วยการด้วยเวลาเพราะทุกคนมีการเดินการยืนการนั่งการนอนการเหลียว การดูการเหยียดการขูหรือแม้แต่ทำภารกิจต่างๆให้เรามีสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องหรือความเจริญึงที่สุดตัวสตินั่นคืออะไรตัวสตินี่คือสัมมัตตะ แลว่าถูกต้องทำพอถูกต้องพูดก็ถูกต้องแม้แต่การนึกคิดก็ถูกต้องเิ่งใดที่ถูกต้องเิ่งนั้นคือสติสมปชัญญะคืออะไรสมปชัญญะคือสุสมะแปลว่าดีเสมอไม่ว่าทำก็ดี พูดก็ดีคิดก็ดีได้สมบัตเสมอเพรา ะ, ะฉันั้นสติสมไปัญญะสองประการนี้ตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่ให้ตั้งมั่นในฐานกายในกายฐานเวทานาในเวทานาฐานจิตในจิต ฐานธรรมในธรรมกายเวทานาจิตธรรมอยู่ที่ตัวเราเองให้เรามีสติสัมปชัญญะในการทรรมการพูดการคิดหรือแม้แต่สงบจากความคิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในฐานทั้งสี่มีองค์ธรรมสามประการ พระ อ, องคจวาอาตาปีเพียนให้ต่อเนื่องหรือเพียนให้เป็นประจำสัมปชาโนโนรสึกตัวทั่วพร้อมสติมาตั้งสติไว้ให้มันวิเนยโลเก อ, อภิชาโตมณตสัง กงจัดความยินดีความยินร้ายออกจากจิตใจให้หมดที่เราเข้าไม่ถึงธรรมหรือผู้ที่ไม่เห็นธรรม้อติดอยู่ในกระแสโลกเคยยินดีและยินร้ายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ใินยโลกเกอาพิจาโตมณัตสังพวกเธอจงทำลายความยินดีความยินร้ายในโลกให้พินาศไปนี่คือหัวข้อธรรมธรรมที่เราควรจริญและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของทุกท่านและมีค่าที่สุดในชีวิตของทุกท่านท่านลองคิดดูว่าอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของทุกท่านท่านจะอาจจะคิดไปไกล แต่พระธรรมจํมพุธเจ้าจารั์สิ่งที่มีค่าที่สุดเยี่ยมที่สุดคืออนาปาณสติให้สติระลึกถึงลมหายใจลมหายใจนี่มีค่าที่สุดถ้าหมดลมหายใจแล้วทุกอย่างก็หมดค่าไม่มีค่าไราค่า พระสัมมาธัมพุทธเจ้าได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกําหนดอานาปานสติในเคืนที่จะจัดสรุใต้ต้นสีมางหภโรพธิพระองค์กําหนดลมหายใจสิกขั้นได้บรรลุเป็นพระสัมมาธัมพุทธเจ้า แต่เฉพาะท่านทั้งหลายให้กำหนดเพียงสี่ขั้นแล้วท่านจะรู้เองว่าชีวิตของท่านมีค่าที่สุดเยี่ยมที่สุดและประเสริฐที่สุดเพราะท่านกำหนดลดหมหายใจสี่ขั้นที่พระพุทธเจ้าตรงมอบให ทำไมพระองค์จึงไม่มอบให้ทั้ง16ขันที่พระองค์ทรงจัดสรู้นั่นเป็นวิสัยหรือเป็นพุทธวิสัยของพระสัมมาจัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะจัดสรู้ต้องกาหนดลมหายใจ16ขันแต่เฉพาะพุทธบริษัทรือทุกท่าน เพียงสี่ขั้นก็เยี่ยมแล้วก็จะรู้ว่าวิปัสสนานั้นคืออะไรซึ่งเป็นที่โจทย์จันโดยทั่วไปแม้แต่ในวงค้านาสงฆ์ว่าอะไรเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเป็นชื่อที่เยี่ยมที่สุดยกเว้นชื่อพระพุทธเจ้าและชื่อพระอา ร, ารังคัน ที่พัฒนาเป็นชื่อเยี่ยมที่สุดที่เขาวิเคราะห์ออกมาว่าบิเสเสปัสสติติธรรมชาติเหล่าใดเห็นรูปรามด้วยประการต่างๆเป็นพิเศษหรือวิเศษ ธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าวิปัสนาเพราะฉะนั้นอน า, น า, นาปานาจติเป็นสมาธิในเบื้องต้นของคานิกสมา ธ, หออมาธิหรืออุปปจจารสมาธิหรืออัปปานาสมาธิธรรมาธิของวิปัสนาในสามอย่างนี้อย่างใดเป็นวิปัสนา ทิปะนาได้แก่คณนิกะสมาธิคือการสมาธิเป็นไปขณะหนึ่งท่านรูปท่านนามหรือจงรูปจงนามเพราะรูปนามเกิดขณะหนึ่งดับไปขณะหนึ่งคนิกะสมาธิก็ตั้งจิตรู้ในขณะหนึ่งของรูปนั้น ของนามนั้นก่อนที่จะเข้าถึงให้ท่านเจริญอนาปานสติการเจริญอนาปานสติต้องอาศัยสถานที่ที่สงบที่วิเวกที่สงบหรือวิเวกเป็นสปายะของผู้เจริญจิตต พระวนาพระองค์แสดงไว้สามสถานที่หนึ่งลุกขังบู ล, ลกาโตวาไปแล้วสู่โคตไม้สองอารันยาคาโตวาไปสู่แล้วซึ่งป่า 3. สาัญญาขาระกาโตวา ไปสู่แล้วเรือนว่างเช่นสถานที่นี้ก็เป็นศุนยาคานคือว่างหรือสงบความว่งาวงความสงบของสถานที่เป็นปัใจจัยให้เราสงบกายจึงเป็นกายยะวิเวกากายสงบกายสงบนานๆจะทำไม่จิตต่อวิเวก คือจิตสงบจิตสงบนานๆจะเป็นเหตุให้อุปาทิวิเวกคืออุ ป, ปกิเลสสงบการที่กิเลสสงบทำให้จิตใจผ่องใสทำให้จิตใจข่ารอบทำว่าดาว่านาม้มสะอาด สิ่งที่อยู่ในน้ำที่สะอาดเราจะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อน้ำไม่กระเพื่อมฉันใดจิตที่สะอาดจิตที่ไม่กระเพื่อมจิตที่สงบดิ้งอะไรที่อยู่ภายในจิตเราก็จะรู้ได้ชัดด้วยตนเองพระเจานั่นให้ท่านเริ่มปฏิบัติ วิธีปฏิบัติพระองค์ทรงจัดเอาไว้เมื่อได้สถานที่เราก็ควรนั่งสมาธิให้ถูกต้องตามหลักของสมาธิการนั่งสมาธิพระองค์ทรงจัดว่านิสีธนพลังกังอาพุชธิตวาคําคว่านิสีธนพลังกังอาพุชธิตวา คือนั่งคัตบาทคือคู่เข่าทั้งสองเข้าเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเพราะการนั่งสมาธิในพุทธศาสนามีวิธีเดียวซชื้อจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปฐมศาสนะคือนั่งแบบดอก บ, บัวซ้อนกลีบ ฉันวางเท้าซ้ายลงเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือซ้ายวางบนเท้าขวามือขวาวางบนมือซ้ายอย่างเดียวปธรมสาธนะนั่งแบบดอก บ, บัวซ้อนกลีบโอชงกายอย่างปาณิธายะ การนั่งสมาธิพระโอษรกูชงกายอย่างปาณิทายะคาว่าปาณิธาคือตั้งความปรารถนากูชงกายต้องตรงเพราะตัวสติเป็นธรรมเครื่องตรงกายถ้ากายไม่ตรงเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้กายไม่ตรงก้อยใจไม่ตรงให้กายตรงกายนิ่ง ใจจะทรงใจจะนิ่งเมื่อกายทรงกายนิ่งนานๆจิตก็ทรงจิตก็นิ่งการที่จะให้จิตทรงจิตนิ่งพระองค์ตรัสว่าโซ ส, โต ส, สตอัศสติเธอย่อมมีสติหายใจเขา้า หรือเธอย่อมรู้ว่าหายใจเขา้าสร้าตอปัสตสติเธอย่อมมีสติหายใจออกหรือเธอย่อมรู้ว่าหายใจออกทำจิตได้ว่างจากเรื่องอื่นในบทที่ไม่วางคือลมหายใจ ที่ไม่วางคือสติจะติดตามลมหายใจทุกระยะไม่ต้องทองไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดแต่ให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่นให้เบิกบานที่เป็นนามของพระพุทธเจ้าคือพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้สดชื่นผู้เบิกบานทำนิมิตต่างๆให้ว่างให้หมดที่ไม่ว่างคือลมหายใจนี่เป็นขั้นที่หนึ่งเราจะประกอบในขั้นนี้ด้วยการหายใจเข้ายาวและออกยาวพิธีหายใจเข้ายาวออกยาว ที่พระพุทธเจ้าจัดว่าที่คังว่าปัสสะท่านโตที่คังปัสสะบิติปตัญญาติเมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว วิธีหายใจเข้ายาวตั้งแต่ต้นลมที่ช่องจมูกหายใจเข้าให้ยาวให้แรงให้ลึกถึงกลางลมหรือสุดลมแล้วพักลมพักจิตนิดหนึ่งที่กังว่าปัสสาะท่านโตที่คัง ปัตตาสสตมมิติปานาติเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวตั้งแต่ปลายลมกลางลมพอุดลมไม่ต้องพักเรี่ปหายใจเข้าให้รู้ให้ตื่นให้สดชื่น ให้ทุกๆอย่างนั้นว่างให้หมดคนที่จะตั้งสติอย่างนี้โดยการหายใจเข้ายาวอกยาวผู้ที่ขยันมันเพียนในอนาปานสติข้อนี้เขาจะตั้งเอาไว้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนลมหายใจหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมง จะหายใจเข้ายาวออกยาวให้สม่ำเสมอให้รู้ให้ตื่นเรื่องอื่นจะไม่มีเรื่องที่จะมีคืออนาปานสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายอนาปานสติ เป็นธรรมเครื่องสงบระงับจากสังการทังป่วงพวกเธอเจงสงจิตไปในอนาปานสติทำเรื่องเอ่นได้ว่างทั้งหมดพิกพุผู้ไม่ประมาทอุทิตกายอุทิตใจอยู่อย่างดี จะละความสับสนคือความคิดแห่งเรือนใจได้เพราะละความสับสนในเรือนใจได้นั้นเป็นเนรให้จิต ด, ดำรงคงที่ตั้งมั่นภิกษุรูปนั่นแหละจะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตธรรมในธรรมโดยเราไม่ต้องเปลี่ยนหายใจเข้ายาวออกยาวให้มีสติสัมปชัญญะอยู่สม่ำเสมอเพราะจิตที่บาทภาวนาจะยังลงในฐานกายฉันทะจิตปิรยิยาจิตตะ วิมังสาคนทมเป็นเครื่องนำไปสู่ความสาเร็จทั้งที่อย่างก็จะยังลงในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมขั้นต่อไปขั้นที่สองแม้ว่าเราจะตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยน จางหายใจเข้ายาวออกยาวตอลอดเวลาแต่ทำใบชาติหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนคือทุกๆอย่างเป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดเที่ยงท่านลองก็ได้หายใจเข้ายาวออกยาวว่าจะไม่เปลี่ยนในที่สุดมันก็เปลี่ยน พอใกล้จะเข้าสมาธิลมหายใจจะสั้นเข้าสั้นเข้าจนกว่าจะหยุดที่พระองค์ทรงสัดว่ารัตสังว่าปัสสะสั้นโตรัตสังปัสสะสมิติปาชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้น ไห้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นเรื่องอื่นต้องว่างรัตสังวปัสสัน้นโตรัตสังปัตสัมมิติปตัญญาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสัน้นไม่ต้องนับไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรม คือเกิดขึ้นอย่างใดให้รู้อย่างนั้นวิปัสสนาที่พระองค์ตรัสว่าฉนทั้งยานิที่พระองค์ต <c oughs> รัสเธอจงกําหนดรู้ด้วยการรู้เธอจงการรําหนดรู้ด้วยการระลึกตามด้วอเธอกําหนดรู้ด้วยการละกา ร, รวางการปล่อย ต่างกันไม่ว่าหายใจเข้ายาวกับหายใจเข้าสั้นต่างกันเพราะหายใจเข้ายาวต้องตามตลอดสายตั้งแต่ต้นลมกลางลมชุดลมชุดลมกลางลมต้นลมแต่เวลาหายใจเข้าสั้นไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกเวลาหายใจเข้าลมกระทบจุดใด ข้อตั้งสติระลึกให้ชัดว่ากระทบจุดนั้นเวลาหายใจออกลมกระทบจุดใดข้อกาหนดได้ชัดว่ากระทบจุดนั้นการหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราเพียรพยายามติดต่อเนืองๆเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำไม่รู้รู้กายนี้ทั้งหมด กายทั้งหมดที่ท่านมีอยู่มีเท่าไหร่คือทุกคนไม่สามารถที่จะรู้แม้จะเรียนรู้จากตำลาก็ไม่ใช่เป็นปัญญานั่นเป็นสัญญาความจดจำแต่ปัญญาที่เกิดจากสาติสัมปชัญญะจนเกิดญาณนี่เขาเรียกว่าวิปัสนาญาณ ต้องเกิดวิปัสนาญาณก้าวกประการจรึงจะรู้กายนี้ทั้งหมดที่ประกอบด้วยโครงสร้างของร่างกายมีทั้งหมดสี่ธาตุดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันแต่ที่จะเป็นวิเศษเป็นวิปัสนาจะรู้โครงสร้างของกายนี้ทั้งหมด มี42ประการทีป่ประกอบเข้าเป็นร่างกายไม่ไว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่โครงสร้างของธาตุเท่ากันหมด42ประการคือธาตุดิน20สธาตุน้ำส2องธาตุไฟสีธาตุลมห เป็นสี่สองประการจะรู้ด้วยวิปัสนาโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องเรียนธรรมะมาก่อนไม่ต้องจำจากตำราจะเกิดขึ้นมาชัดเจนและไปตามลำดับด้วยอนุโลมคือไปตามลำดับด้วยปาติโลมแล้วก็ทวนกลับเห็นทั้งหมดแล้วเพิกทั้งหมด จะไปเห็นความเกิดดับในทุกส่วนของโครงสร้างของร่างกายจึงจะละสักกายทิฐิจึงจะละอุปาทานเพราะการเจริญวิปัสสนานต้องละอุปาทานในเบญจขันธ์ทั้งห้าถ้าอุปาทานไม่ดับเราไม่สามารถที่จะรู้กายทั้งหมดโดย สมมุติและโดยปรัตทธรรมไม่ใช่ความจำจากการศึกษาเล่าเรียนในในทิพสงประการเวลาจะเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้าจัดกายนี้ออกเป็นส่วนสามเที่ยวพาตอไตว่าสามส่วนเช่นพระองค์จารวะ กายเกายานุปัสสีภิงราติพิจารณากายในกายนี้อิทภิกขุอัจฉตตังวากายเยกายานุปัสสีภิงราติคำว่าอัจฉตตังวาคือที่เป็นภายในส่วนหนึ่งของกายนี้ พังคิดถวะกายเยกายานุปัสสีวิการติพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สองอัดชัตตพังคิดถาวะกายเยกายานุปัสสีวิการติพิจารณาเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกอีกส่วนหนึ่งถามว่าเป็นวิปัสสนาหรือยัง ตกไปยังไม่เป็นวิปัสนาเพียงแต่แบ่งแยกให้เห็นกายเป็นส่วนสามแล้วเป็นวิปัสนาส่วนไหนพระองค์จริงสรัสว่าสมุทยะธรรมานุปสิวากายยัตกะบิงวิการติพิจณาเห็นความเกิดขึ้น เป็นธรรมชาติหรื่อเป็นธรรมดาในกายบ้างอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นวิปัสสนาพจนพุทธยพยานุปัสสนาญาณคือเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามนี่เป็นประการแรกเป็นประการที่หนึ่ง วายะธรรมานุปัถิวากาย ต, าตันถิวิณาติพิจรารณาให้เห็นความเสื่อมในกายบ้างสิ่งที่เกิดแล้วก็เสื่อมไม่คงที่ประการที่สามสมุทยยะ บัญธรรมานุปัตถิวากายัตมิวิญญาติทิจนาเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อมเห็นทั้งเกิดทั้งดับเกิดเท่าไร่ดับเท่านั้นนอกจากพุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากพุกไม่มีอะไรดับพุกเท่านั้นเกิดขึ้นพุกเท่านั้นตั้งอยู่พุกเท่านั้นดับไป ผู้ที่ยังมีดวงตาเห็นเห็นธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็น <c oughs> ไวยากรณ์ของพระนิพพานคือเป็นเบื้องต้นของการจะถึงนิพพานที่พระอัญญาโกนสัญญะดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอัญญาติวตโพโกนทัโยอัญญาติวตโพโกนทันโย อัญญาโกณสัญญาเป็นผู้มีดวงตาเห็นทำแล้วเนี่ยพระองค์ยังกินกิสวมุทยะธรมบังสัพพันตังนิโรธธรมังเึ่งได้จ่งหนึ่ง <c oughs> ที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาคือจิ่งที่เกิดได้ล้วนมีความดับเป็นธรรมดานี่เป็นไวิยาพ์หรือเป็นไวยากอ์ของนิพพานแต่ในมังหาะติปัตสันสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าอัธิการโยติวาปานัสสติ ปัจจุปปิตากุติหรือสติตั้งไวในปัจจุบันยาวเทวยานามัตตา ย, ยานแ ต, สจจ ต, ต, ต่สักวะรูปัติเตมัตตาญาณสติแต่สักว่าอาศัยระลึกเธอ จะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดติดพวกเธอจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกพระองค์ทรงตวาอย่างดีแลพิษุชื่อว่าเป็นการพิจารณาเห็นกายในกายซึ่งเป็นเป็นปกติ พระองค์ตรัสตั้งแต่เบื้องตน้นว่าทางนี้เป็นทางไปอันเอกไปได้เฉพาะผู้เดียวไปในที่แห่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งเวไนยสัตทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความเศร้าสูก ความร้องไห้ความร่ำไรให้ดับไปซึ่งทุกและโมทมันททานี้เป็นธรรมที่ถูกต้องนั่นคืออะไรนั่นคือมห า, าตราิตพสันตูมหาตริตพสันตูนที่อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วทัดนนี้ก็สมควรละตอนและเวลา และเหมาะสมกับศัทธาของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อบูชาพระสารามจัมพุธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามพระองค์สเสด็จไปดีแล้วท่งรู้แจ้งโลกและทุกทุกท่าน ตั้งใจจะถาวายเป็นพระราชกุศลพระราชการะแด่พระบาทตมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอดุญญเดชบางอาราธที่พระองค์ทรงคุณอั น, รนประเสริฐในปัจจุบันนี้พระองค์ทรงพระประชวรขอุลกุศลที่เราได้ฟังธรรม หรือปฏิบัติบูบชายกถวายพระองค์ให้ทรงหายจากพระประชวนมีพลานาไม่แข็งแรงมีพระกระเสมสำนันมีพระจนมายุยิ่งเยือนนานโยภายใต้สวิกฉัดรัดตนะนักบลัง ของพระองค์นานแสนานตลอดทั้งช่อมเด็กพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระลูกยาเธอพระบรมวงศาลวงทุกทกพระองค์จนตลอดบูรพาพระมหากษัตริย์แห่งจักรีวง์ทุกทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราช ที่คุ้มครองปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราชและมีความทุกข์สวัสดีจนถึงปัจจุบันนี้ได้สม ค, ควรเก็บเวลาพอยุติพระธรรมเทศนาลงของวายแต่เพียงดีเอวังก็มีด้วยประกาชนี